อาได้เวลานะครับเดี๋ยวบรรยายธรรมะให้ฟังต่อไปนะครับช่วงกลางวันทุกท่านก็ได้ทานอาหารนะอาหารก็เป็นปัจจัยทําให้ร่างกายเป็นไปได้เหมาะสําหรับการประพฤติพรหมจรรย์นะเหมาะสําหรับการฟังธรรมเป็นไงพอจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้บ้างไหมครับ เหมาะพอจะฟังทำดีไหมครับเนี่ยอ่าบางท่านพอกินเยอะเกินไปก็ดีอะไรก็ดีมันก็จะแทนที่จะเหมาะก็กลายเป็นไม่ค่อยเหมาะไปซะแล้วเหมาะที่จะหลับจะนอนไปซะแล้วอันนี้ก็คือมันเกินไปนั่นแหละนแต่ถ้าเราได้พิจารณาอาหารว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นปัจจัยอันหนึ่งทั้งพระท่านก็จะมีคําให้ทีเดียวนะก็คือตรงตามหลักความจริงนั่นเองนะ อันนี้ก็คือเรื่องของความชัดเจน น, นั่นเองถ้าชัดเจนเข้าใจถูกต้องมีความชัดเจนในประเด็นนั้นๆตันหาในเรื่องนั้นๆก็จะไม่เกิดเมื่อตันหาไม่เกิดมันก็ไม่เกินนะทีนี้ถ้าไม่ได้พิจารณาก็แน่นอนมันก็จะเพลินก็จะติดจะคล้องมันก็จะเกินจะทุกข์ขึ้นมาเริ่มจากถ้าอาหารอร่อยก็รับประทานเกินบ้างนะแน่นท้องบ้างอะไรบ้างหรือติดรสอาหารบ้างก็นี่ก็เป็น ผลพวงมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อเช้าก็คือมันเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยนั่นเองมันก็เป็นไปตามกระบวนการของสิ่งต่างๆที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะซึ่งมีอยู่สองข้างนะข้างที่1เป็นข้างฝ่ายเกิดนี้มันเกิดทุกนั่นแหละนะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือไม่เกิด คือไม่เกิดความทุกข์หรือดับทุกข์นั่นเองดับทุกข์นะทีนี้ฝ่ายเกิดตัวหลักก็คือตัวอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจสีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีไล่ไปเรื่อยๆนะอันนี้ฉะนั้นถ้าองค์ประกอบหรือว่ากระบวนการปฏิจจสมุปบาทมันยังยากอยู่สำหรับบางท่านท่านก็จาไว้ในเบื้องต้นว่า มันเริ่มต้นจากอาวิชชาก็คือความไม่รู้อริยสัจสี่อันนี้มันเป็นหัวเรื่องหรือว่าเป็นตัวจักสําคัญที่จะทําให้เป็นทุกขเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารรวมทั้งทุกข์อยู่กับโลกกับอะไรต่อมีอะไรต่างๆนี่แหละก็เริ่มต้นจากอาวิชชานั่นเองทีนี้ถ้าเป็นฝ่ายดับทุกข์ฝ่ายไม่มีทุกข์ก็ตรงกันข้ามก็คือทําลายอาวิชชาตัวนี้เสียทำลายทีนี้การจะทําลายอาวิชชาไม่ให้อวิชชามันเกิด ก็ไม่ใช่ว่าอวิชชาเกิดแล้วเราไปเกลียดมันไม่ชอบมันหรือว่าไปฆ่ามันทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ทำลายโดยการไปสร้างวิชาให้มีขึ้นนะวิชามีขึ้นก็ละอวิชชาได้ฉะนั้นละอวิชชาด้วยวิชาละมิจฉาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะนี่ก็ฝ่ายไม่มีทุกข์ทุกข์ไม่เกิดก็คือมีวิชาอวิชชาดับอวิชชาดับคืออวิชชาไม่เกิด ที่อวิชชาไม่เกิดเพราวิชามันเกิดขึ้นมีวิชามีความชัดเจนในเรื่องนั้นๆและนะเช่นถ้าเป็นสูงสุดก็พระละหันท่านก็ชัดเจนในสัจธรรมและในทุกข์เนี่ยในวัตตะสงสารทั้งกามภูมิรูปภูมิอ ร, รูปภูมิจะพบไหนไหนก็ทุกหมดนะชื่อชัดเจนสําหรับท่านแหละชัดเจนเข้าถึงแล้วนะก็ตันหาก็หมดไปโดยสิ้นเชิงนี่ก็เป็นอย่างนี้นะพวกเราก็ปฏิบัติแบบเดียวกันเพียงแต่ว่า ระดับของปัญญาที่จะเห็นทุกทุกข้าถึงทุกนี่มันก็ลดหลั่นกันไปแต่วิธีการไม้เหมือนกันตลอดอย่างนี้ทํานองนี้นะครับอันนี้ก็มีทั้งฝ่ายเกิดทุกข์กับฝ่ายดับทุกข์ดับทุกข์คือทุกไม่เกิดทุกไม่มีนะครับเมื่อเช้าก็ได้พูดให้ฟังบางส่วนอาจจะยากไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฟังศึกษาไปนะในช่วงบ่ายนี้ก็จะพูดเพิ่มเติม เพื่อที่จะเชื่อมโยงมาสู่การปฏิบัติต่อไปจริงๆเมื่อเช้าก็พูดเชื่อมไปสู่การปฏิบัติเปลนแต่เป็นลักษณะของการปฏิบัติในฝ่ายพิจารณาผู้จะพิจารณาได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะดีอะไรดีนะอย่างนี้วันนี้ช่วงบ่ายนี้ก็จะพูดขยายความออกมาสู่หลักปฏิบัติเพิ่มเติมยิ่งขึ้นเพราะว่าที่ว่าอาวิชชาความไม่รู้อริยสัจ ท, ที่เป็นฝ่ายเกิดทุกข์เนี่ย อวิชามันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งคือมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งเป็นนามนธรรมเป็นของเกิดดับหมายความว่าอาวิชาไม่ได้มีอยู่ตลอดนะมันก็มีเมื่อมันเกิดเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยหมายถึงว่าพวกเรานี้ไม่ได้หลงตลอดหลงเมื่อความหลงมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นมันมีขึ้นเพราะเงื่อนไขเพราะปัจจัยเช่นเดียวกันนะเบื้องต้นของอวิชานั้นมันไม่ปรากฏ แต่ว่ามันมีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นมีขึ้นเราไม่ได้โง่ตลอดไม่ได้หลงตลอดวันแต่หลงเมื่อความหลงมันเกิดขึ้นเท่านั้นและความหลงเกิดขึ้นมันก็ดับไปเหมือนกันอวิชามันก็เป็นของไม่มีตัวตนมันก็ก่อให้เกิดสังขารคือเจตนามันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันนะสังขารคือบุญบาปไม่มีตัวตนก็เกิดให้ก่อให้เกิดวิญญาไม่มีตัวตนทุกอย่างล้วนไม่มีตัวตนจนถึง ทุก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันนะอวิชามันก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปมันก็ก่อให้เกิดของไม่เที่ยงก็คือสังขารบุญบาปนี้ก็ไม่เที่ยงนะสังขารที่ไม่เที่ยงก็ก่อให้เกิดวิญญาณที่ไม่เที่ยงเช่นกันวิญญาณ น, นามรูปก็ไม่เที่ยงก็ทุกก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันนั่นแหละนะไม่มีอันไหนมันเที่ยงเลยนะอันนี้จึงต้องรู้จักแม้กระทั่งอวิชานี้ มันก็มีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยไม่ได้มีอยู่ตลอดนะที่เราปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่มันจะได้ไม่เกิดนี่แหละเป็นหลักนะแต่ถ้ามันเกิดเราก็ต้องยอมรับก่อนต้องรู้จักมันไม่ได้ละอวิชาที่มันกาลังเกิดไม่ได้ละตัณหาหรือกิเลสที่มันกาลังเกิดแต่ละโดยการทำไม่ให้มันเกิดขึ้นวิธีที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นก็คือสร้างวิชาขึ้นมาแทนเนี่ยตัวหลักมันเป็นอย่างนี้นะครับ เราก็เลยต้องมารู้เงื่อนไขของอวิชชาซะก่อนอวิชชานี้มันก็มีเงื่อนไขมีเหตุให้เกิดขึ้นเหตุของอวิชชาเงื่อนไขให้เกิดอวิชชาก็คือนิวรณ์ห้านิวรณ์หประการเนี่ยความรักความติดข้องต้องการกามฉันทะพยาปาทะหงุดหงิดรําคาญสิ่งต่างๆถีนมิทะเนี่ยง่วงเหงาเศร้าซึมเนี่ยง่วงเหงาหรือจิตใจท้อแท้ท้อถอยเนี่ยถ้าจิตใจมัน ท้อมันถอยขึ้นมามันหมดกําลังมันง่วงซึมมันก็จะเกิดอวิชชาขึ้นนะตอนแรกยังไม่มีนะยังไม่มีอย่างตอนนี้นั่งฟังนี้ยังไม่มีอวิชชาเดี๋ยวพอง่วงมากๆนี้จะมีอวิชชาเห็นว่านอนหลับนี่ดีกว่าฟังธรรมนะอย่างนี้ตอนนี้เห็นว่าฟังธรรมนี้ดีกว่านอนอันนี้ถูกแล้วนะแต่ถ้าง่วงมากๆนี้จะรู้สึกว่ากลับไปบ้านนอนนี้ดีกว่าฟังธรรมอันนี้เริ่มโง่แล้วอวิชชาเอาไปกินแล้วนีอย่างนี้ทํำตองนี้ นะครับมันมาเพราะเงื่อนไขนะมาเพราะเหตุปัจจัยนะก็คือมาเพราะนิวรหนะีอย่างนี้อวิชาก็มีปัจจัยมีเหตุมีเงื่อนไขมีอาหารคือนิวรห้มีกามาฉันทะพยาปาทะทีนมิทะอุทธจักุกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉานะถ้าไม่มีวิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยก็ไม่เกิดอวิชาขึ้น แต่เมื่อใดลังเลสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสอย่างนี้นะหรือว่าพระองค์ประสูดมาแล้วเดินนั่งเจ็ข้าวมันจะจริงไหมอย่างนี้ก็กลายเป็นอวิชชาขึ้นเพราะมีความสงสัยถ้าไม่สงสัยก็จะไม่เกิดอวิชชาก็จะเป็นคนเฉยธรรมดาไปนะฉะนั้นอวิชชามันก็เกิดตามเงื่อนไขนะไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันเกิดเพราะนิวรห้าทีนี้นิวรห้ามันก็มีเงื่อนไขคือมันมาจากทุจริตสามประการ นะมาจากกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตนะเพราะคิดผิดทาผิดพูดผิดมันก็เป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดนิวรณิวรณ์ก็ทำให้เกิดอวิชชานะทีนี้ทุจริต3ประการนี้มันก็มีเหตุปัจจัยมีเงื่อนไขก็คือความไม่สำรวมระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะพวกเราก็มีอินทรีย์อยู่แล้วนะ ตามองดูรูปถ้าไม่ได้สำรวมระวังก็รับรู้อารมณ์ไปตามความเคยชินมันก็เกิดความคิดผิดได้อะไรได้การพูดการอะไรต่างๆผิดผิดได้มันก็ผิดพลาดไปหูก็เหมือนกันถ้าปล่อยไปตามความเคยชินไม่สำรวมไม่ระมัดระวังการดูการฟังพวกนี้มันก็จะโดยเฉพาะทางใจเนี่ยถ้าไม่สำรวมระวังความคิดมันก็จะคิดไปเรื่อยมันก็จะคิดผิดนะเพราะมันเคยชินแล้วมันก็ ยังไม่มีความรู้ข้อมูลยังผิดอยู่มันคิดไปมันก็ผิดหมดพอผิดมันก็คิดผิดมันก็เป็นทุจริตทุจริตมันก็ทำให้เกิดนิวรณ์ทำให้เกิดอวิชชานอย่างนี้ทีนี้ทุจริตสามเนี่ยมันก็มีเหตุมีเงื่อนไขคือความไม่สำรวมระวังอินทรีย์ต่างๆที่ไม่สำรวมระวังอินทรีย์นี่มันก็มีเงื่อนไขามามีเหตุมาก็คือมันไม่มีสติสัมปชัญญะคนไม่มีสติสัมปชัญญะนี่ใช้ชีวิตไปยังไงก็ พลาดได้นะก็คือพอตามองเห็นถ้าไม่มีสติยับยั้งชั่งใจไม่มีปัญญาว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไรมันก็นกิเลสมันก็เกิดขึ้นความคิดผิดๆอะไรต่อมื่อไรก็เกิดขึ้น น, นี่ก็คือเพราะมันขาดสติสัมปชัญญะการขาดสติสัมปชัญญะนี้มันก็มีเงื่อนไขอีกนะมันมีเหตุมีปัจจัยมาการขาดสติสัมปชัญญะ มันก็มาจากอโยนิสโสมนสิกการคือการใส่ใจเรื่องต่างๆอย่างไม่แยกคายสิ่งต่างๆมันก็อยู่ของมันตามเรื่องราวธรรมดาของมันนี่แหละแต่คนที่เอาสิ่งเหล่านั้นมาใส่ใจใจนี้นมันเป็นประทานมันเป็นตัวรับรู้ถ้าไม่มีใจก็จะไม่มีอันอื่นเลยแต่พอรับรู้แล้วเขาไปใส่ใจอย่างไม่ถูกต้องนะไปอโยนิสโสมนสิกการใส่ใจไม่ถูกต้องคิดไม่ถูกต้องขึ้นมา มันก็ทําให้ขาดสติทําให้หลงนั่นเองนะฮะทให้หลงโมงเมาทาให้ขาดสัมปชัญญะเนี่ยมันก็มาจากอโยนิโสมนัสิการที่มีการใส่ใจไม่ถูกต้องก็มีเงื่อนไขามาอีกก็คือมันมาจากการไม่มีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะผู้ที่มีความรู้จรงิงประกาศความจริงไว้มีแต่พระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าไม่มีศรัทธามันก็ไม่ได้ทําตามพอไม่ได้ทําตามก็ทําตามคนอื่นๆเข้าไปมันก็ต้องผิดอยู่แล้ว ไปคิดตามเขาก็ต้องผิดหมดนะเขาเห็นว่าเออการงานสําคัญอะไรสําคัญกว่าตามเขาก็ผิดหมดอยู่แล้วยังไงก็ผิดฉะนั้นถ้าไปทางนี้ก็ต้องอวิชชาแน่นอนเลยมาทางนี้นะอันนี้ที่มีอายโยนิโสมณสิกการขึ้นมาก็เพราะไม่มีศรัทธาที่ไม่มีศรัทธาก็เพราะว่าไม่ได้ฟังพระสัทธรรมไม่ได้ฟังธรรมที่ไม่ได้ฟังธรรมก็เพราะว่าไม่ได้คบหาสัพ บ, บุรุษนะไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดพระศาสนา กระบวนการของอวิชามันก็มาทางนี้ฉะนั้นอวิชานี้มันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะมันมีตามเงื่อนไขปัจจัยถ้าเราดูใกล้ตัวมันที่สุดก็คือดูนิวรณ์ห้านะยังมีนิวรณ์อยู่ไหมครับเนี่ยถ้ามีอยู่เดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันจะโง่พูดภาษาเรานะถ้ารังรักอยู่เราจะโง่นะถ้าเรารักใครเนี่ยเราจะโง่เพราะคนที่เรารักนั่นแหละเราจะเขาทําผิดเราก็นึกว่าถูกอยู่มันอย่างเงี้ยนี่คือมันรักเขาไงนะมันก็จะเกิดอวิชาขึ้นถ้าเกลียดเขาอยู่ล่ะ ก็โดนเหมือนกันก็จะโง่อีกแหละในนี้เขาทําถูกก็จะว่าผิดอีกแหละเขาก็มั่วไปเรื่อยเนี่ยอย่างนี้ทํา น, ทนองนี้นะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงตัวอวิชชาเนี่ยนะก็มีเงื่อนไขามาจากนิวรณ์พวกเราก็เลยต้องระวังที่นิวรณ์ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยต้องพยายามไม่ให้มันมีนิวรณ์เพราะถ้ามีนิวรณ์มันจะเกิดอวิชชาขึ้นเนี่ยอย่างนี้ทํานองนี้ในการปฏิบัติเราก็เลยพากันฝึกให้มีสติดี มีสมาธิมั่นคงแต่ทีนี้ที่เราผิดกันอีกชั้นหนึ่งก็คือพวกเราคิดว่าถ้ามีสมาธิมันจะละนิวรณ์ได้อันนี้ก็ยิ่งผิดไปไกลใหญ่นะอย่างเนี้นะแท้จริงสมาธิเนี่ยมันละนิวรณ์ได้ก็จริงแต่มันละแบบข่มไว้ส่วนการละนิวรณ์หรือละอวิชัยอย่างแท้จริงต้องไม่ให้มันเกิดไม่ใช่ข่มไว้มันคนละชั้นกันทีนี้พวกเราก็เลยนึกว่าเอาทำสมาธิมันจะได้ละนิวรณ์เราก็เลยทําแต่สมาธิทําสมาธิ แล้วก็กิเลสก็ยังอยู่คาอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะมันเข้าใจผิดนั่นเองนะะอย่างนี้ทําไมมันจึงผิดก็มันไม่ถูกอย่างนี้และถูกคืออะไรอันนี้จะพูดให้ฟังวันนี้นะฉะนั้นอันที่ผิดเนี่เราเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะท่านไหนฟังรู้แล้วลูกถือว่าเอออันนี้ก็ผิดอีกแล้วอันนี้ก็ผิดอยู่แล้วทําไมผิดเยอะแท้ดีแล้วแหละจะได้เลิกผิดจะดีถ้าไม่รู้ว่ามันผิดเนี่ยเราจะผิดคาอยู่อย่างนั้นนะ พวกเราก็ผิดมาเยอะฉะนั้นผิดอีกเรื่องหนึง่งมันไม่ต้องตกใจหรอกเพราะว่าของหน้าตกใจมันเยอะกว่านั้นอีกคือนผิดเยอะอยู่แล้วพูดภาษาเรานะขนาดให้ทานยังผิดรักษาศีน์สมาธิเนี่ยนะบางท่านทําสมาธิก็เพื่อละนิวรณ์ฉะนั้นนิวรณ์มันเป็นปัใจจัยให้เกิดอวิชชาเรามีสมาธิไว้ไม่เกิดนิวรณ์อวิชชาก็ไม่เกิดก็คิดอย่างนี้นะนี่ก็ผิดไปอีกนะทาไมมันผิดก็เพราะมันไม่่ถูกนะออายงนี้ ก็สมาธินี่มันละได้นิวรณ์ก็จริงละนิวรณนได้ก็จริงแต่ว่ามันละแบบข่มไว้มันไม่เหมือนกับวิธีที่ท่านสอนวิธีฝ่ายมรคนี้คําว่าไม่มีดับนี้คือไม่เกิดไม่ใช่ไปขม่มเนี่ยเห็นไหมคนละชั้นกันนะก็เลยต้องมาฟังฝ่ายวิ ช, ชาเพราะการจะละอวิ ช, ชาได้โดยการทําวิ ช, ชาให้มีขึ้นเหมือนแสงสว่างก็ขึ้นมาก็ละความมืดคําว่าดับความมืดละความมืด ไม่ใช่ไปละความมืดแต่หมายถึงการทำวิชาเอาแสงสว่างเนี่ยตอนนี้มีแสงสว่างแล้วความมืดก็หายไปเมื่อกี้อวิชาเกิดจากนิวรห้าทีนี้จาละอวิชาก็ต้องทําวิชาให้มีขึ้นจาระนิวรห้าต้องทําอะไรให้มันมีขึ้นตรงนี้แหละสําคัญแหละทีนี้ที่พวกเราต้องมาปฏิบัติกันทีนี้ผมก็เลยเกริ่นให้ท่านฟังว่าพวกเราโดยมากมักจะคิดว่าจาระนิวรห้าทําไงครับต้องทํา สมาธิซึ่งผิดนะทาไมมันผิดมันไม่ถูกนะแล้วอะไรที่มันถูกนี่กําลังจะพูดให้ฟังเนี่นะอย่างนี้ทําสองนี้นะครับนะถ้ารู้ว่าผิดผิดถูกมันจะจําแม่นนะถ้าถ้าไม่รู้ว่าอันไหนมันผิดอันถูกมันจะจําไม่ค่อยแม่นก็เลยต้องเน้นอันผิดไว้ก่อนทีนี้มาดูวิชาสิทธีนี้วิชาวิมุต t นี้มันก็มีอาหารนะพอมีวิชามันก็จะวิมุตใช่ไหมพ้นจากอานาจตันหาที่เราไม่พ้นกิเลสเพราะเราไม่มี ความชัดเจนไม่รู้สัจธรรมนั่นแหละไม่ชัดเจนพอชัดเจนมันก็พ้นแล้วนะเหมือนอาหาร <Mount> ถ้าเราชัดเจนเรื่องอาหารแล้วก็พ้นจากอํานาจของอาหารได้ถ้าไม่ชัดเจนเรื่องอาหารว่ามันทานไปทำไมเพื่ออะไรอย่างนี้นะเราก right ็จะตกเป็นทาตของตัณหาอย่างนั้นจะกินร้านโนร้านนี้จนอ้วนไปหมดอยู่งั้นน่ะนะเนี่ยตกเป็นธาตของมันนะหาเงินหาทองมาก็เพื่ออยู่เพื่อกินวนอยู่งั้นน่ะตกเป็นธาตมันนี่ขนาดแค่เรื่องปัจจัยนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องสูงกว่านี้นะ เนี่ยหลายท่านก็เลยยังคาค า, าอยู่ทีนี้มาพูดถึงวิชาต่อไปวิชาเนี่ยก็มีเหตุมีปัจจัยมีอาหารมาก็คือโพชชงจิตเนี่ยโพดชงจิตมันจะมาเป็นตัวละนิวรห้าที่แท้จริงนะละแบบไม่ให้นิวรมันเกิดส่วนถ้าเป็นสมาธิมันจะละแบบทับเอาไว้นะหลายท่านคงเคยเรียนแลนะเขาแบบหินทับหญ้าอะไรเขาก็ว่าไป แต่ในการปฏิบัติเพื่อละในแบบนี้โรดนี่นะจะละโดยการไม่ให้มันมีขึ้นเลยไม่ให้มันเกิดขึ้นเลยไม่ให้มันมีอิทธิพลนะอวิชชาก็ถูกละได้โดวยวิชาอาวิชามาใส่แทนวิชามันก็มีอาหารมีเหตุให้เกิดก็คือโพชชงเจตโพชชงเจตก็มีเหตุให้เกิดก็คือสติปัฏฐานสสติปัฏฐานสี่มันก็มีอาหารมีเงื่อนไขเหตุปัจจัยก็คือสุจริตสาม สุจริญสามก็มีเงื่อนไขมีเหตุมีปัจจัยก็คือสัมรวมระหว่างอินทรีย์มีอินทรีย์สังวรดีอินทรีย์สังวรดีนี่ก็มีเหตุปัจจัยอีกก็คือมีสติสัมปชัญญะดีอยู่เสมอสติสัมปชัญญะก็มีเงื่อนไขยอยู่ที่โยนิโสมนสิกการการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายการจัดทําไว้ในใจโดยแยบคายโดยถูกต้องก็มีเงื่อนไขอีกคือมีศรัทธาต้องศรัทธาเชื่อมั่นใน แนวทางที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้และพระองค์สอนอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราทําอย่างพระองค์สอนเราก็ต้องได้อย่างที่พระองค์สอนเรามีศรัทธาเราก็มาโยนิโศทาตามฝึกนะคือฝึกยังไงก็จะได้อย่างนั้นและพระองค์สอนว่าทําอย่างนี้น่าจะได้เราก็มาทําตามก็ต้องได้แน่นอนมีศรัทธาที่มีศรัทธาก็มีเงื่อนไขคือได้ฟังพระสัทธรรมที่ได้ฟังพระสัทธรรมก็เพราะได้คบหาสัพพุรุษได้เข้าใกล้ชิดพระศาสนาอ่านหนังสือธรรมะ นะมาฟังทำนี่ไล่มาอย่างเงี้ยนะทำนองนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดระดับสูงหน่อยตอนนี้ระดับสูงๆนะ่ะแต่ให้ทุกท่านได้ทราบว่าที่พูดพูดมาเนี่ยทั้งฝ่ายอวิชชาทั้งฝ่ายวิชชาเนี่ยก็คือตั้งเริ่มต้นตั้งแต่การไม่ได้คบหาสับบุรุษไม่ได้ฟังศรัทธาไม่มีศรัทธานี้พวกนี้มันเป็นฝ่ายอวิชชาถ้าไม่มีศรัทธาแน่นอนว่าอวิชชามันจะเกิดวันหนึ่งเพราะว่าเงื่อนไขมันมีแล้ว ถ้าไม่ได้ฟังพระสัจธรรมไว้ไม่ได้ฟังธรรมะให้ดีเนี่ยท่านไม่ได้ฟังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนวันหนึ่งท่านจะหลงขนาดทานเนี่ยถ้าไม่ฟังให้ดีเป็นไงครับก็จะเกิดอวิชชาขึ้นสมาธิไม่ฟังให้ดีก็จะเกิดอวิชชาขึ้นเพราะไม่ได้ฟังสัจธรรมไว้อย่างนี้พอเข้าใจไหม่าอย่างนี้ไม่มีศรัทธาไม่ได้โยนิโสมนสิการไม่มีสติสัมปัญญะไม่มีอินทรีย์สังวรไม่สำรวมระวังอินทรีย์ ทุจริตนิวรณ์แล้วก็อวิชชาเนี่เป็นฝ่ายนี้ส่วนฝ่ายวิชชาก็นี่แหละก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การคบหาสัพบบุรุษมาเข้าใกล้ชิดพระศาสนาได้ฟังธรรมะเนี่ยทุกต่านก็เลยต้องฟังธรรมะให้ดีการฟังไว้นี่เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่จะได้วิชชาขึ้นส่วนจะได้เมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งเหตุมันปีนี้วิชชามันอาจจะปีหน้าเหตุชาตินี้ก็วิชชาอาจจะอีกสองชาติข้างหน้าก็ไม่เป็นได้รักแล้วแต่ แต่ว่ามันมีเงื่อนไขแล้วมีศรัทธามีโยนิโสมนสิการมีสติสัมปชัญญาอินทรีสังวรสุจริตสามสติปัฏฐาน4โพชทธชงเจ็ดแล้วก็วิ ช, ชาก็คือมรรคแปดนะี่คือวิ ช, ชานะที่พูดไปวิชานี้เน้นตัวตั ว, ต, วตัวนี้แต่ช่วงบ่ายนี้จะพูดรองลงมาอีกนิดนึงรองลงมาอีกนิดนึงเพื่อให้เห็นชัดว่า ทุกท่านไม่ได้หลงตลอดเวลาทุกท่านไม่ได้โง่ตลอดนานๆโง่ทีหนึ่งนานๆหลงทีหนึ่งน่าดีใจไหมครับน่าดีใจเหมือนกันนะเราเนี่ยเห็นอย่างนี้เน้นหน้าอย่างนี้นะไม่ใช่โง่ตลอดนะไม่ได้หลงตลอดหลงเมื่อความหลงมันเกิดนะอวิชชามันไม่ได้มีตัวตนอะไรสังขารก็ไม่มีตัวตนวิญญาณก็ไม่มีตัวตนจนทุกข์ก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันแหละนะอวิชชามันก็ไม่ได้เที่ยงอะไร สังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงจนถึงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่มีอะไรเที่ยงเลยฉะนั้นจึงไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามีตามเงื่อนไขเฉยๆนะอย่างนี้และเงื่อนไขของอวิชชาคืออะไรก็คือนิวรห้าและเงื่อนไขอื่นๆอย่างที่ว่ามาแต่ว่าถ้ามันเยอะนักเราก็เอาเจ้านิวรห้าเป็นตัวตั้งก่อนเพราะมันใกล้กับอวิชชาหมายความว่าถ้ายังมีรักมีชังมี ง่วงซึมเงาหรือว่ามีฟุ้งอยู่สงสัยอยู่นี่จะต้องเกิดอวิชชาเพราะว่าเงื่อนไขมันมีแล้วนะอย่างนี้ทุกท่านก็เลยต้องระมัดระวังทีนี้ที่มันจะหมดนิวรณไม่ให้นิวรณมันมีไม่ให้นิวรณ ม, ม, ม, มันเกิดเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละที่สำคัญเพราะว่าเรื่องอวิชชากับวิชชาก็พูดไปแล้วใช่ไทีนี้มาพูดรองลงมาอีกหน่อยหนึ่งเราจะได้แก้กันได้แก้ถูกจุดนะก็คือต้องเอา พอดชงเจ็ดมาใส่แทนมาใส่แทนนิวรณ์ก็จะไม่เกิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมไม่ใช่เอาสมาธิมาใส่แทนนะพวกเรานี้เอาบอกเอาสมาธิมาใส่ <c oughs> ก็เลยคาอยู่จนถึงทุกวันนี้งงอยู่นะหลายท่านก็ได้สมาธิมาหลายรอบแล้วพอสมาธิดีเป็นยังครับง่วงเหงาเศร้าซึมมีไหมไม่มีโอ้ดีมากวันหลังมาเอาไปแล้วหลามไปอีกแล้วตอนนั่งสมาธิเข้าสมาธิได้ดีไม่ง่วงนะแต่พอออกมา ง่วงอีกแล้วนะตอนสมาธิดีสงบดีนี่มีรักมีชังไหมไม่มีออกมาที่ทํางานเป็นไงระเบิดลงอีกแล้วเอา้าทําไมมันเป็นอย่างนั้นทําไมมันไม่ละละ่ะก็เพราะมันไม่ถูกวิธีพอเข้าใจไหมแต่ถ้าท่านมีพจนชงเจตอันนี้แหละแน่นอนเลยตัวนี้นะไม่ว่าอยู่ที่ไหนแหละถ้ามีพจนชงเจตเนี่ยโอ้โหอันเนี้นิวรหัา จ, จะไม่เกิดเลยนี่พอเข้าใจยังเนีย่ยต้องแม่นตรงตรงนี้นะ ไม่งั้นเราจะวนอยู่จนถึงตัววันนี้แหละวนมานานแล้วเนี่ยนะจนเจออาจารย์สุภีแล้วเนะี่ยสักหน่อยจะไปอาจารย์อื่นอยู่แล้วเนะี่ยหลายท่านก็วนไปเรื่อยอย่าคิดว่าจะจบที่อาจารย์สุภีนะยังมีอาจารย์อื่นรออีกเพียบนะก็จบที่ใจของเราแหละถ้าไม่จบที่ใจของเราคือมันไม่ชัดเจนนะครับว่าชัดเจนนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะนะที่เราทํานี่มันมั่วตลอดนะะมันมั่วใบมั่วมาแล้วไม่ยอมแก้ไขด้วยนะบางคนนะก็หคงจะเป็นสมาธินี่แหละก็นั่งอยู่นะนะั่นแหละ ทังแล้วก็ดีตลอดนะออกมาก็เลวตลอดเลยแล้วก็อย่างนั้นแล้วไม่ยอมไม่ยอมสํารวจตรวจดูการละกิเลสที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้ละกิเลสตอนนั้นสมาธิมันละกิเลสตอนนั้นคือมันทับไว้เฉยๆส่วนโพอดชงเนี่ยมันละคือไม่ให้มันเกิดเลยนี่เข้าใจไหมมาร์กเนี่ยเขาจะใช้วิธีละคือไม่ให้มันเกิดส่วนกิเลสตอนนั้นช่างมันเอามากําหนดรอบรู้เอามายอมรับเอามาเป็นสัจธรรมไปอย่างนี้พอเข้าใจไหม ส่วนสมาธิมันเหมือนหนีสัจธรรมไปหน่อยหนึ่งก็คือมันไปทําให้สงบบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปนะแล้วแต่มันก็ดีเหมือนกันนะแต่มันก็ดีก็ได้ระดับดีก็ไม่ว่าอะไรแต่เมื่อเช้าพูดไปแล้วว่าวันนี้จะไม่พูดดีนะแต่จะพูดดีๆแต่จะไม่พูดดีจะพูดสัจจะเพราะเขาใจะยังเนี่ยเป็นสูงระดับสัจจะพระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศดีเพราดีมันก็ถึงพรหมโลกเนาะดีสุดแล้วพรหมโลกเลยพรหมโลกก็ไม่ได้ดีมันได้เท่านั้น ส่วนสัจจะนี่เป็นถึงเหนือโลกเลยนะพระอริยะเจ้าเนี่ยอย่างนี้เนี่ยทุกท่านเลยต้องเข้าใจตรงนี้ดีๆทีนี้มาพูดเรื่องอวิชชาของเราต่อนะอวิชชาสรุปว่าเกิดจากนิวรหานะทีนี้วิชชาก็เกิดจากโพชงเจตต้องมีองค์ประกอบของปัญญาตรัสรูโพชงแปล ว, ว่าองค์ประกอบของปัญญาตรัสรู โพธิอังคะโพธิก็คือปัญญารู้อริยสัจสี่ก็คือจะเอามาทําลายอาวิชชานั่นแหละโพธิเนี่ยทีนี้จะมีโพธิต้องมีองค์ประกอบต้องมีอังคะต้องมีคุณสมบัติซึ่งมีอยู่7ประการนั่นแหละนะถ้ามีโพชนชงเจ็เนี่ยจะละนิวรห้าได้คําว่าละนิวรห้าตัวนี้คือนิวรห้าไม่เกิดเลยนี่พอเข้าใจไหมวัแบบนนี้พอนิวรห้าไม่เกิดอวิชชาจะเกิดไหม อวิชาก็ไม่เกิดเนี่ยก็เป็นฝ่ายวิชาแทนพอเข้าใจไหมครับอย่างเนี้นี่มันเป็นอย่างนี้นะให้ทุกท่านได้เข้าใจให้ชัดเจนก็คนละระดับกันนะอ่าก็คนละชั้นกันก็แต่สมาธิลานิวรณ์ก็ระดับโลกโลกนะได้สูงสุดพรมโลกถ้าพจชงเจ็ดนิวรณ์ไม่เกิดอันนี้ได้เหนือไปเลยโล ก, กุตระพอเข้าใจไหมครับนนะอันนี้นี่ทีนี้นิว นิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างหลายท่านคงจําได้น ะ, ะเป็นฝ่ายที่ทําให้เกิดอวิชชาพดชงเจ็บเนี่ยหลายท่านก็จําได้แล้วมีอะไรบ้างน ะ, ะก็บางท่านจําไม่ได้ก็ก็จําไว้ก่อนว่าต้องพดชงเจ็บนะถ้าจะละนิวรณ์หให้ไปจําใหม่จาใหม่นะจํามาจากใครจํามาจากอาจารย์สุพีนะะ <laughs> ให้มันชัดเจนให้มันชัดเจนคือต้องไปปฏิบัติด้วยให้มันเห็นชัด หลายท่านปฏิบัติสมาธิมันเยอะแล้วคงไม่ต้องพิสูจน์แล้วไอ้ไอเดี๋ยวดีเดียวร้ายเนี่ยไอ้คุ้มดีคุ้มร้ายไม่ต้องห่วงนะเข้าเข้าออกอเนี่ยหลายท่านเป็นมันเยอะแล้วนะเหลือแต่ไม่มีพจนชงกับเขาเลยไม่ได้พิสูจน์ตอนนี้ไปพิสูจน์พจนชงหน่อยนะก็คือต้องมีสติในแบบที่จะเป็นสติที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ต้องไปฝึกสติให้มันดีนะฝึกสติให้มันดีถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปทําข้อพื้นด้วยแต่นี้พูดเยอะไปเดี๋ยวมันจะหลายเรื่องไงเอาเอาย่อๆนะต้องมีสติ สำพ陀ชงต้องมีสติที่จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ต้องอยากรู้สัจธรรมคนจะรู้สัจธรรมจะเป็นคนหลงหลงลืมๆนี่ไม่ได้ต้องเป็นคนมีสติมั่นคงดีอยู่กับตัวและสตินี้ไม่ใช่เพื่อการอื่นแต่เพื่อยอมรับสัจธรรมยอมรับสัจสีถ้ามีสัจจะแบบนี้นิวรมันจะไม่เกิดนะถ้ามีสติแบบนี้นะมันจะนิวรนไม่มีนอกจากมีสติแล้วสติที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ สติสัมปชงแล้วก็มีอันที่สองคือธรรมวิจยะสัมดชงต้องวิจัยค้นคว้าธรรมะที่เกิดขึ้ น, นว่าอันไหนมันเป็นอกุศลเป็นอกุศลเพราะอะไรให้ชัดเจนในใจของเราเป็นอกุศลเพราะมันทำให้จิตมันเศร้าหมองทำให้จิตมันไม่ดีต้องชัดเจนอันไหนเป็นอกุศลต้องให้ชัดอะไรที่เกิดขึ้นในใจเรานะอะไรดีอะไรไม่ดี อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรเป็นหนทางให้มันชัดชัดในใจของเราก็าวิจัยค้นไปเนาะเป็นคนมีสติก็ค้นควา้าเอาคน้นค้นในแง่เป็นปัญญาเป็นวิจัยค้นคว้าธรรมที่จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ก็คือค้นในเรื่องสัจธรรมนี่แหละคนในเรื่องอริยสัจสีเบื้องต้นจึงต้องพยายามมีสติไว้แล้วก็ยอมรับว่ามันต้องเป็นสัจจะ แล้วมันเป็นสัจจะข้อไหนก็ไปค้นดูนะอันไหนควรทำอะไรอย่างไรอันไหนควรกำหนดรอบรู้ทุกนี้ควรกำหนดรอบรู้เพื่อจะยอมรับถ้ายังไม่ยอมรับก็ต้องไปรู้ให้ลึกขึ้นโลกใบนี้ถ้าเราไม่ยอมรับก็มีหน้าที่รู้ให้มันลึกขึ้นเพื่อจะยอมรับมันให้ได้นะถ้ายังไม่ยอมรับรถติดก็ไปรถติดบ่อยๆแล้วก็ค้นดูว่ามันติดเพราะอะไรอย่างไรโอ้เพราะถนนมันน้อย แล้วก็รถมันก็สร้างขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, ท, ว น, ท, วนทุกวันโดยเฉพาะรถญี่ปุ่นนะมีคนญี่ปุ่นด้วยนะเนี่ยอันนี้พูดกระทบเขาสัาหน่อยหนึ่ง <laughs> รถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นเยอะนะรถอื่นก็เยอะเยอะด้ว ย, วยแหละรถมันเยอะถนนมันน้อยเห็นไหมทีนี้รถมันต้องติดถูกไหมแบบเนี้ยถูกแล้วเข้าใจชัดแล้วพอเข้าใจชัดมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยเราวิจัยฉนันที่วิจัยค้นคว้าดูเนี่ยก็เพื่อยอมรับความจริงเห็นไหมยอมรับความจริง อันนี้เรียกว่าธรรมวิจยะสัมพดชงต้องทำแบบสัมพดชงนะให้วิจัยค้นคว้าทำไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่ออะไรเพื่อจะตรัสรู้เพื่อจะรู้สัจธรรมสติธรรมก็ไม่ใช่เพื่ออันอื่นเพื่อจะรู้สัจธรรมเท่านั้นสติเนะี่ยคนจะรู้สัจธรรมเนี่ยจะเป็นคนตาลอยหลงหลงลืมๆ ม, มนี่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ห้ามนั่งตาลอยห้ามนั่งลเลอไปไม่รู้อะไรไปอย่างนี้ทาไปก็เสียเวลาเปล่านะ ต้องมีวัตถุประสงค์ให้ชัดกรรมฐานก็ทําให้มันชัดเจนว่าจะทําไปทําไมเพื่ออะไรอย่างไรแล้วเราทําเพื่อตรัสรู้นะนะอย่างนี้ไม่ใช่ทําเอาโน่นเอานี้ไม่ใช่นะให้มันชัดเจนนะีสติสัมโพธชงธรรมวิจยะสัมโพธชงวิจัยคน้นคว้าธรรมวิริยะความเพียรกล้าหารบากบัน่นต้องกล้าทํากล้าสู้สิ่งใดไม่ดีต้องกล้าที่จะละนะสิ่งใดดีต้องกล้าที่จะ ปฏิบัติฝึกเพื่อเข้าถึงเพราะว่าถ้าใจไม่ถึงมันก็ไม่ถึงเหมือนกันนะธรรมะบางอย่างนี่ถ้าไม่สละเป็นสลัดตายใจไม่ถึงมันก็ไม่ถึงทำนะมันก็ต้องใจถึงซะหน่อยกิเลสบางอันเนี่ยถ้าใจไม่ถึงมันก็ละไม่ได้เช่นอาหารบางอย่างนี่ถ้าเราไม่กําหนดรอบรู้หรือว่าไม่ใจเด็ดจริงๆมันก็ติดอยู่งั้นน่ะวิธีการเราก็ต้องใจถึงว่าชาตินี้อาหารนี้มันดีมากจะไม่ขอกินมันทั้งชาติ อย่างนี้จ้งใจถึงไงอยากบรรลุไม่ใช่เหรออยากบรรลุมันก็จังใจถึงถ้าใจถึงอย่างนี้มันก็นิวรมันต้องหมดอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องไม่เกิดแต่พวกเราเนี่ยโอ้ยน้ําลายไหลมาแล้วยดสามหยดแล้วนะขอแค่ห้าวันวันที่หกเอาใหม่ก็แล้วย่างนี้ยมันก็อย่างนี้ก็จะได้แต่สมาธิไงแต่สมาธิเขาก็ออกออกมันไม่ได้พุชงนี่เห็นไหมมันโคลรเรื่องกไปเลยเห็นไหมเนี่ยเราก็เลยต้องรู้จักว่าอันไหนมันเป็นอันไหนนะ สรุปที่จะละนิวรณได้คือโพชฌงเจตไม่ใช่สมาธิอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะอันนี้ละแบบเด็ดขาดนะละแบบมันไม่เกิดไงละแบบแบบวิ ช, ชาเอามาละอาวิ ช, ชาแต่ถ้าแบบสมาธิละนิวรณนะ์อันนั้นมันไม่ใช่ละอาวิ ช, ชานะแบบนั้นมันมันทำให้สงบมันดีพุทธศาสนาอันหนึ่งดีอันหนึ่งสัจจะนะพอเข้าใจไหมครับนะท่า น, นทุกท่านก็ ทั้งสองอย่างนี้ถูกนะแต่อันหนึ่งถูกระดับดีอันหนึ่งถูกระดับสัจธรรมตอนนี้เราจะพูกระดับสัจธรรมนะอันนี้ก็ได้พุทธชงสามตัวนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วเป็นตัวทํางานเลยสติปัญญาธรรมวิญยาณกับความเพียรในสามตัวเนี่ยแต่ให้มันทํางานชนิดที่มันจะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ต้องมุ่งตรัสรู้เป็นหลักมุ่งเห็นสัจธรรมเป็นหลักถ้ามุ่งถูกทางถูกที่ และมีสติดีมีปัญญาดีค้นคว้าธรรมะอยู่เสมอมีความเพียรกล้าทำกล้าสู้กล้าที่จะทำกล้าที่จะฝืนกล้าที่จะฝึกตัวเองมุ่งในการรู้สัจธรรมเสมอเนี่ยก็ผลก็คงไม่ไปไหนเนาะก็ส่วนจะได้เมื่อไหร่ก็ว่ากันนะแต่ทีนี้ก็ก็จะได้โพดชงข้ออื่นตามมามี ปีติสัมโพชฌงปัจสัทธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงแล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงอันนี้คือโพชฌงเจ็สิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นตัวสําหรับละนิวร อ, อย่างแท้จริงเป็นตัวตรงข้ามนิวรอยอย่างแท้จริงนิวรมันทําให้จิตไม่ผ่องใสไม่สะอาดบังปัญญาส่วนโพชฌงทําให้จิตสะอาดและปัญญาทํางานชัดเจนไม่เหมือนสมาธินะ ปัญสมาธิทำให้ใจสะอาดแต่บางทีปัญญาไม่ทำงานนไมันคนละเรื่องกันคนละตอนกันนะส่วนโพชฌงนี้ทำให้จิตใจสะอาดปลอดโปรง่งและปัญญาทำงานเต็มที่พร้อมที่วิ ช, ชาจะเกิดพร้อมที่มรรคแปดจะเกิดเมื่อวิ ช, ชาเกิดแสงสว่างมาอาวิ ช, ชาก็หายไปนะหายไปไม่เกิดเหมือนแสงสว่างมาแล้วเนี่ยมืดหายไปหมดไม่เหลือไม่เหลือมืดนะหมายความว่ามืดก็ไม่มีตัวตน พอทะมืดมีตัวตนสว่างมามืดก็ต้องอยังอยู่แต่นี่มืดมันไม่มีตัวตนพอสว่างมามืดก็หายไปฉะนั้นอวิชาก็เหมือนกันคือไม่มีตัวตนพอวิชามามืดก็หายไปสังขารก็เลยไม่มีตัวตนไปด้วยบุญบาปก็ไม่มีตัวตนไปด้วยเพราะว่าถ้ามีตัวตนพอวิชามาบุญบาปก็ต้องยังคาอยู่แต่นี่เพราะว่าวิชามาปุ๊บบุญบาปก็ไม่มีไม่เกิดแล้วหายไปเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ จนถึงทุกข์ก็ไม่มีตัวตนขันห้าก็เลยไม่มีตัวตนทั้งหมดนั่นแหละเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็พูดมาถึงตัวปฏิบัติแล้วตอนนี้นะพูดเชื่อมให้ฟังนะฉะนั้นถ้าพูดถึงการปฏิบัติเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เข้าไปสู่วงจรของฝ่ายเกิดทุกข์นะก็คือต้องละนิวรณ์คว่าละ ก็พูดหลายครั้งแล้วคำว่า ล, ละเนี่ยหมายถึงไม่ให้มันเกิดนะไม่ให้มันมีขึ้นไม่ให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นไม่ใช่ละนิวรณ์ที่กําลังเกิดนะไม่ใช่ละความรักที่กําลังเกิดไม่ใช่ละหงุดหงิดที่กําลังเกิดนะไม่ใช่ละง่วงว้เข้านอนที่กําลังเกิดขนะึ้นคําว่าละคือไม่ให้มันเกิดอีกในอนาคตไม่ให้มันเกิดส่วนอันที่มันเกิดเนี่ยเรายอมรับมันเป็นสัจธรรมไปก่อนนะข้อปฏิบัติอันนี้ที่จะละนิวรณ์ก็คือโพชชงเจตนั่นเองฟองเข้าใจไหมครับ ก็เลยมีสติมาก่อนเพื่อจะยอมรับเพื่อจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ยอมรับแล้วก็ทำมาวิจัยปัญญามาค้นคว้าพิจารณาว่าเอ๊ะง่วงนอนเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันเป็นของดีหรือของไม่ดีอย่างไรมันเป็นของควรละหรือควรเจริญเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอนะ่แล้วก็มาทําความเพียรถูกต้องต่อไปนะนี่พุทชงเจตก็เลยเป็นฝ่ายวิ ช, ชาขึ้นมาฝ่ายวิ ช, ชาเนี่ยอย่างนี้นะครับทํำตองนี้ ฉะนั้นทุกท่านจึงต้องฝึกฝ่ายพจชงพจชงมันก็เลยดีกว่าทางด้านระดับสมาธิทั่วไปเพราะสมาธิทั่วไปเราก็ต้องไปอะไรต้องไปนิ่งๆต้องทำกรรมฐานน่นนี่นั่นใช่นะส่วนทางพจชงนี่สติเน้นสติสติเนี่ยทำวิธีไหนก็ได้ขอให้มีสติก็แล้วกันนะไม่จำกัดวิธีไม่จำกัดเทคนิค ขอให้มีสติรู้ตัวตื่นตัวไม่หลงไม่ลืมไม่ปล่อยใจลอยไม่หลงไปตามความคิดไม่หลงไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช้ได้หมดขอให้มีสติก็แล้วกันรู้ตัวให้ดีตื่นตัวให้ดีอย่าหลงอย่าหลงเรื่องต่างๆอยู่ที่ไหนก็ได้วุ่นก็ได้สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ไม่เหมือนสมาธินะสมาธิต้องสงบหน่อยใช่ต้องมีกรรมฐานโ น, น้นนี่นั่นอะไรก็าว่าไปส่วนสตินี่ไม่จากัดนะไม่จากัดวิธีไหนก็ได้เทคนิคไหนก็ได้ ให้ได้กันสาระของสติกันสาระของสติก็คือใจไม่เลื่อนลอยมีความรู้อยู่กับตัวดีไม่หลงลืมไม่หลงไปตามความคิดความนึกต่างๆรู้ตัวดีคิดก็รู้ว่าคิดนะนะไม่หลงไปตามมันนะมีอะไรเกิดขึ้นก็รับรู้และไม่หลงไปตามมันนะง่วงนอนก็รู้รู้แต่ไม่หลงไปตามง่วงนอนไม่หาว หรือหาวก็รู้แต่ไม่นอนตามมันหรือนอนก็รู้แต่ไม่นอนเยอะนอนอยังมีสติก็ยังได้สติมันดีมากนะบางท่านโอ้ยถ้ามีสติก็นอนไม่ได้นอนได้พระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันให้นอนอย่างมีสติสัมปชัญญ ะ, ะให้เป็นนอนอย่างมีสติสัมปชัญญะถ้าพิจารณาดูแลโอ้ไม่ไหวร่างกายมันได้เวลานอนแล้วกน็นอนอย่างมีสติกาหนด ตั้งเวลาในการลุกขึ้นว่าพิจารณาว่าเราจะไม่หาความสุขจากการนอนนะทีนี้นอนเท่าไหร่จึงจะพออา้าว6ชั่วโมงก็พอแล้วก็ตั้งเวลาในการลุกขึ้นนะถ้าตั้งนาฬิกาอันที่หนึ่งแล้วมันจะไม่ลุกขึ้นก็ตั้งอันที่สองเรียงไว้ก็ต้องกำหนดให้ดีมีสติปัญญากากับให้หมด น, ะ น, นี้นอนยังมีสติเห็นไได้หมดเ่ยมีสติเนี่ยมันได้หมดเนี่ยเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่คือมีสติ มีธรรมวิจยะคือมีปัญญาวิจัยค้นคว้าเลือกสรรธรรมะแล้วก็มีความเพียรแล้วก็โพชงข้อเนื่นนะแต่เน้นอยู่ที่สามตัวนี้ก็คือสติธรรมวิจยะและก็ความเพียร น, นะครับอันนี้แต่ท่านคงจําชื่อได้อยู่เนาะถ้าจาจําชื่อไม่ได้ยังไงก็ก็จําที่ผมบรรยายไปก่อนแล้วก็ไปขนจดไว้ให้ท่านรู้จากว่าเนี่ยถ้าจะละนิวรณ์จริงๆต้องใช้โพชงจิตอย่าใช้สมาธิหรือจะใช้ก็ได้ แต่อย่าลืมพูดชงจิตถ้าใช้สมาธิท่านจะต้องเข้าเข้าออกๆตลอดกาลนานเทินนะแต่ท่านจะต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดเหละก็หลายท่านก็เข้าเข้าออกมาหลายรอบแล้วเนี่ยนะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้ น, นอันนี้เราต้องทำให้ถูกต้องทำแบบมากน่จะถูกต้องคือมันละได้แน่นอนเด็ดขาดเลยเห็นสัจธรรมอย่างนี้นะอันนี้นะครับนี่ก็พูดให้ฟังช่วงบ่ายก็พูด เพิ่มเติมมาจากเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็พูดกฎเกณฑ์ของมันเอาไว้สำหรับพิจารณาด้วยปัญญาช่วงบ่ายนี้ก็พูดย้อนกลับมาหน่อยหนึ่งก่อนจะเกิดปัญญาเราก็ต้องมีข้อปฏิบัติของเราทุกท่านจึงควรใช้ชีวิตอย่างมีสตินะจะมีสติแบบอนุสติหรือมีสติเฉพาะหน้าก็ได้นะอนุสติก็ใช้วิธีนึกเอานะเป็นคุณธรรมที่ละเอียดสุ ข, ขุมลึกซึ้งก็ใช้แบบอนุสติ นึกเอาก็เป็นสติเหมือนกันเช่นพุทธานุสติอันนี้เป็นของลึกซึ้งธรมมานุสติสังขานุสติเทวตานุสติเป็นต้นพวกนี้ก็ใช้วิธีนึกเอาเพราะเป็นอารมณ์ไม่ปรากฏเฉพาะหน้าก็นึกเอาเช่นนึกคุณของพระพุทธเจ้านึกมาถ้ายังนึกไม่ได้ก็ไปท่องอก่อนสวดก็ได้สติเหมือนกันนะหรือจะสติเฉพาะหน้าเลยก็ได้สติเฉพาะหน้าก็เช่นสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าหายใจออกนี่ไม่ต้องนึก เพราะว่ามันมีอยู่เฉพาะหน้าก็กําหนดเอาเลยจับเอาเลยนะความทุกข์มีอยู่เฉพาะหน้าก็กําหนดเอาเลยจับเอาเลยมีอยู่ความคิดมีอยู่ก็กําหนดเอาเลยจับเอาเลยอันนี้เรียกว่าสติแบบเฉพาะหน้าหรือว่าสติที่เป็นแบบอารมณ์ปัจจุบันก็กําหนดเอาเลยก็ได้หรือจะจับอารมณ์ที่ละเอียดเป็นของที่เป็นอนุสติคือตามนึกเอาก็ได้ก็ได้สติเท่านั้นแหละได้เหมือนกันนะก็ได้อย่างนี้ ทำองนี้ก็จะหลงลืมก็แล้วกันเป็นคนมีสติทีนี้ต้องเป็นแบบสัโพดชงด้วยก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเห็นสัจธรรมเนี่ยตัววัตถุประสงค์ของการทำหรือความชัดเจนในการทาก็เลยสำคัญกว่าเขาเลยนะต้องมีสติบางท่านก็มีสติเยอะนะแต่สติของท่านเอาไว้ใช้ที่ทำงานทำงานจะได้ไม่เครียดทำงานจะได้เข้ากับเพื่อนฝูงได้ดีทางานจะได้ ประสบความสําเร็จมันก็ดีอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็ได้ระดับโลกโลกมันไม่ได้ระดับพอที่จะตรัสรู้ไม่ได้พอที่จะละกิเลสเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสัมพุทธชนไม่ได้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตรัสรู้นะธรรมวิจยะก็เหมือนกันปัญญาเลือกสรรเนี่ยก็ให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตรัสรู้ความเพียรวิริยะสัมพุทธชนนะอย่างนี้นะครับอันนี้ ในโอกาสต่อไปช่วงบ่ายนีนะ้ฟังธรรมะแล้วบางท่านช่วงบ่ายก็ทานอาหารมาเยอะก็เราก็ฝึกปฏิบัติกันสักหน่อยเนาะจะได้ครบครบเพราะว่าจะได้สบายใจนะจริงๆก็ถ้าสาระมันก็คือไม่ต้องเดินยืนนั่งนอนก็ได้แต่ว่าพวกเรามันต้องให้ครบทุกอิริยาบทส่วนนอนนี่นอนมาจากบ้านแหลนะก็ไม่ต้องนะก็มาที่นี่ก็มีนั่งฟังธรรมด้วยก็ต้องมีปฏิบัติ ด, ด้วยสักหน่อยนี่ ก็คําทั้งหลายเหล่านี้พิธีอะไรทั้งหลายเหล่านี้บางทีถ้าเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ให้ชัดเนี่ยมันก็จะเป็นทิฏฐิขวางเราอยู่เหมือนกันทุกทา่านก็เลยต้องชัดเจนนะฉะนั้นก็ต่อไปก็จะพาฝึกสติด้วยการเดินจงกรมซะก่อนเดินกลับไปกลับมาก็ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้มีความรู้ตัวตื่นตัวเท่านั้นเองนะรู้ตัวดีว่าเรามาที่นี่ให้จิตอยู่กับตัวจริงฟังทำแล้วจิตอยู่กับตัวก็ใช้ได้แล้วแหละ แต่ว่าทีนี้คนเราโดยทั่วไปนี้กําลังจิตมันไม่ค่อยเยอะถ้าทําอย่างใดอย่างหนึ่งนานเกินไปบางทีมั น, มนก็หมดพลังแล้วก็ปรับด้วยการเดินบ้างด้วยการนั่งบ้างก็ตามอธัธยษฐานฉะนั้นการปฏิบัติ ด, ด้วยการเดินการนั่งเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าการผลัดเปลี่ยนอิเดียบทเพื่อให้การปฏิบัติ ด, ดําเนินไปได้นั่นเอง น, นะอย่างนี้นะครับอ่าต่อไปจะได้นําฝึกสติต่อไปนะอา่าให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับ อาทุกท่านเดยตัวตรงดี่ยวตัวตร ง, ตตรงทำความรู้ว่ากายนั้นยืนอยู่เอาจิตมาไว้กับร่างกายมาอยู่กับร่างกายนะการเอาจิตมารู้ตัวเองอันนี้เรียกว่ามีสตินั่นเองสติเป็นตัวทำให้เกิดความตื่นตัวรู้ตัวขึ้นให้จิตกลับมาที่ตัวนะต่อไปเอามือซ้ายมาวางไว้ที่สะดือแถวสะดือ กุมมือไว้ที่สะดือต่อไปเอามือขวามาวางทับเข้าไปที่มือซ้ายนะทําความรู้ทําความรู้ว่ากายของเรากําลังยืนท่ายืนนี้จะเหมาะหรือดีสําหรับท่านที่ฝึกใหม่ๆเนื่องจากท่ายืนนี้ก็บังคับอยู่ในตัวว่ามันเป็นท่าที่ลําบากคือต้องมีสติรู้ตัวพอสมควรถ้าไม่รู้ตัวหรือปล่อยใจลอยไปมันจะยืนนิ่งไม่ได้มันจะล้มไปนะฉะนั้น เบื้องต้นให้ยืนนิ่งๆก่อนทุกท่านก็ยืนนิ่งๆทำความรู้อยู่กับตัวนะทำความรู้ตัวเพราะว่าท่านนั่งบางทีมันใจลอยก็ยืนยืนไม่ต้องยืนท่าไหนหรอกก็ยืนนิ่งๆนั่นแหละยืนนิ่งๆนะมันก็จะเกิดความรู้ตัวโดยธรรมชาติเพราะว่ายืนมันเป็นของที่ลำบากนะถ้าไม่มีสติดีพอเนี่ยก็จะยืนไม่อยู่นั่นแหละนะอาจจะคิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างถ้ายืนนานๆเดี๋ยวมันก็ ลำบากมันก็จะรู้ตัวได้นะความคิดต่างๆก็ปล่อยไปนะครับทีนี้สำหรับบางท่านที่ยังไม่ค่อยรู้ตัวก็ใช้ส่ว น, นอื่นๆฝึกเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวก็ทาตามที่ผมพูดนะครับทุกท่านหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าแล้วกลั้นไว้นิดนึงหายใจออกหายใจเข้าอันไว้นิดนึง หายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะให้รู้ตัวทําความรู้ตัวนะทีนี้สําหรับบางท่านพอให้รู้ตัวสติของท่านยังไม่ค่อยดีนักท่านก็หาจุดกําหนดไว้ก่อนจุดใดจุดหนึ่งที่ชัดเจนปกติจุดที่มันชัดก็คือที่ฝ่าเท้าของเรามันจะชัดนะแล้วก็ใช้จุดบริเวณเช่น ที่มือของเราที่จับกันอยู่ก็บีบๆเหมือนซนิดหนึ่งเรียกความรู้ตัวมานะความรู้ตัวนี้มันเป็นด้านนามธรรมนะความรู้สึกก็เป็นนามธรรมมันเลยเป็นพวกเดียวกันนะเช่นความรู้สึกที่เท้านี่มันเป็นเวทนาเราบีบมือเนี่ยมันก็เป็นเวทนาเป็นพวกเดียวกับตัวรู้นั่นแหละนะแต่มันเป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันมันก็เลยเรียกกันง่ายเขาว่าเขาเรียกว่าเรียกความรู้ตัวนะอย่างนี้นะครับ อาต่อไปเราก็จะเดินด้วยความรู้ตัวมีความรู้ตัวเดินมีความรู้ตัวยืนตอนนี้มีความรู้ตัวยืนก่อนให้ทุกท่านจับความรู้ตัวว่าเนี่ยความรู้ตัวคือเรารู้ตัวเองแบบนี้แหละรู้ตัวเองรู้ว่ากายยืนจิตก็มาอยู่กับร่างกายรู้ออย่างนี้นะครับอันนี้ต่อไปเราก็จะรู้ตัวแล้วก็เดินรู้ตัวแล้วก็เดินก็ต้องรู้ก่อนว่า การเดินนี่มันจะเดินได้ก็ต้องมีจิตสั่งการแล้วก็กายจึงเดินได้เพราะการเป็นรูปมันเดินเองไม่ได้ต้องมีคนสั่งส่วนคนสั่งก็ไม่มีขามันเป็นจิตนะก็เลยต้องกําหนดดูสังเกตดูวิธีจะกําหนดดูสังเกตดูให้เห็นได้ง่ายก็คือตั้งใจก่อนนั่นเองการตั้งใจทําจะช่วยให้เกิดสติโดยธรรมชาติขึ้นมาฉะนั้นให้ตั้งใจเดินไม่ต้องตั้งใจรู้แค่ตั้งใจเดินก็พอ ตั้งใจเดินมันจะรู้โดยธรรมชาติเพราะตั้งใจรู้มันจะเครียดตั้งใจเดินมันก็ไม่เครียดนะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจทำนะตั้งใจทำกรรมฐานไม่ต้องตั้งใจรู้ไม่ต้องตั้งใจสงบแค่ตั้งใจทำเท่านั้นเดี๋ยวความรู้ก็จะมีขึ้นถ้าทำถูกนะความสงบก็จะมีขึ้นถ้าทำถูกสรุปง่ายๆก็คือตั้งใจทางานเดี๋ยวผลของงานก็จะมาเองนะ จึงไม่ต้องตั้งใจทำสมาธิบางท่านนี่ตั้งใจแล้วเกินตั้งใจทำสมาธิตั้งใจทำสติอะไรก็ไม่รู้นะอะไรนั้นมันก็พูดมันก็พอได้อยู่แต่ว่าเอาเข้าจริงมันมันเลยไปหน่อยหนึ่งจริงๆก็คือให้เราตั้งใจทำก็พอตั้งใจทำอะไรที่มันจะช่วยให้เกิดสตินั่นแหละส่วนสติมันก็เงื่อนไขพร้อมมันก็เกิดสมาธิเงื่อนไขพร้อมมันก็เกิดอย่างนี้นะครับอาต่อไปทาตามที่ผมพูดตั้งใจทาตาม และสติมันก็จะเกิดนะะให้ทุกท่านตั้งใจนะรู้ตัวว่ากำลังยืนอยู่นะครับนะตั้งใจไปที่เท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นนะครับแล้วก็วางไปข้างหน้าคือเราเดินนั่นเองนะครับนะตั้งใจไปเท้าขวายกแล้วก็วางก้าวช้าช้าซ้ายวางขวาวางซ้าย วางขวาวางซ้ายวางขวาวางซ้ายวางขวาวางก้าสุดท้ายซ้ายวางข้างหน้าขวาวางคู่กับซ้ายนะให้ท่านตั้งใจถ้าตั้งใจไม่ได้ทั้ง การเดินอย่างน้อยก็ตั้งใจตอนเอาเท้าลงนะตั้งใจเหมือนเราใส่ใจลงไปในเท้าของเราที่มันลงปึ๊กลงไปนะถ้าใส่ใจอยู่นี้เดี๋ยวสติมันก็จะเกิดมานะแค่นั้นแหละนะทีนี้ตอนนี้ยืนแล้วก็ทำความรู้ในการยืนว่ากาลังยืนอยู่นะยืนให้รู้ว่ากายกาลังยืนนะครับต่อไปก็กลับตัวกลับตัวก็ตั้งใจ น, น่ให้ทุกท่านตั้งใจไปที่เท้าซ้าย หมุนเท้าซ้ายสักสี่สิห้าองศานะครับสักสี่สิหองศาเอาเท้าขวามาวางคู่กับเท้าซ้ายหมุนเท้าซ้ายไปอีกเท้าขวาก็มาวางคู่กันหมุนเท้าซ้ายไปอีกเท้าขวามาวางคู่หมุนเท้าซ้ายไปอีกครั้งหนึง่งเท้าขวาก็มาวางคู่กันนะอันนี้ก็กลับตัวได้แล้วดูเหมือนจะยากเย็นสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไร ให้เราตั้งใจรู้ตัวนะอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นท่าเดินนะที่เรากัแบแคบก็ดีเหมือนกันก็จะได้เดินอย่างระวังไม่เหยียบกันนะต่อไปก็เดินตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นแล้วก็วางเท้าขวาวางเท้าซ้ายวาง เท้าขวาวางเท้าซ้ายวางเท้าขวาวางก้าวสุดท้ายเท้าซ้ายวางเท้าขวามาวางคู่กับเท้าซ้ายนะอย่างนี้ก็ให้รู้ตัวนะทำหลายๆคนมันก็จะดีลักษณะหนึ่งก็คือทำให้ระวังการระวังนี้ก็เป็น การมีสติวิธีหนึ่งนะเราทําอะไรที่ลําบากบ้างไม่สะดวกบ้างเนี่ยมันดีโดยส่วนใหญ่เราจะชอบสะดวกสะดวกโดยนึกว่ามันสับปายะนะแต่ที่จริงสะดวกนั้นมันไม่สับป่ายะเท่าไหร่เพราะมันหลงง่ายนะลำบากบ้างเนี่ยมันดีทําให้ระวังตัวทําให้นึกทาให้พิจารณาเยอะนั่นแหละได้สติดีนะครับสติเนี่ยจะรักษาไว้ได้ด้วยการรู้จักพิจารณาหา เงื่อนไขหาเหตุหาปัจจัยหาวิธีแก้ไขต่างๆเนี่ยจะสติดีนะครับอ่าตอนนี้ยืนแล้วก็รู้ตัวในท่ายืนกลับต่อไปกลับตัวนะครับตั้งใจไปเท้าซ้ายหมุนเท้าซ้ายสักสี่สหองศานะครับเท้าขวามาคู่หมุนเท้าซ้า ย, าาาาาายไปอีกเท้าขวามาคู่กันหมุนเท้าซ้ายเท้าขวาคู่หมุนไปอีก เท้าขวามาคู่กันที่ผมพูดนําเนี่ยมันมีสี่คู่ด้วยกันที่ให้ทําอย่างนี้ก็เพื่อให้เกิดความตั้งใจนั่นแหละจะได้รู้ตัวนะเวลาเราทําเองเราก็ทําสบายๆทาขอให้มันมีสตินะวิธีไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับที่ถูกคือมีสติที่ผิดคือขาดสติใจลอยนั่นแหละนะทำตรง น, นี้นะครับจึงไม่ต้องทําเอาถูกเอาผิดนะเพราะตอนนี้เราจะเหนือและจะเหนือ อันนี้เรื่องถูกผิดจึงไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือให้มันมีสติน่ะนะนะต่อไปตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายแล้วก็วางเท้าขวาวางเท้าซ้ายวางขวาวางเดินนะ่เนี่ยนะเท้าซ้ายวางเท้าขวา ก้าวสุดท้ายแนละเท้าซ้ายวางเท้าวขวามาคู่กับเท้าซ้ายนะอย่างนี้ถ้าเราจดจ่อหรือให้ใจอยู่กับการเดินความคิดข้างนอกต่างๆก็จะหายไปเหลือแต่คิดเรื่องการเดินนะการคิดเรื่องการเดินนี้ไม่ใช่ความผิดอะไรก็เป็นเรื่องปกติความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับ การกระทานี่จะช่วยรักษาสติส่วนความคิดแบบหลงออกนอกเรื่องมันจะดึงสติให้หายไปนะฉะนั้นไม่ต้องกลัวความคิดให้รู้ให้รู้แล้วก็อย่าตามความคิดที่ดึงจิตออกไปข้างนอกท่านนั้นเองอย่าตามความคิดแบบหลงๆที่เราไม่ได้ตั้งใจให้รู้แล้วก็ปล่อยมันไปมาอยู่กับงานของเรานะให้รู้ตัวในการยืนนะหายใจเข้าลึ ก, ลกแล้วการไปนิดนึง หายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าให้ลึกการไว้นิดนึงแล้วก็หายใจออกให้ทำให้จิตใจสบายๆโปร่งๆนะอันนี้ต่อไปตั้งใจที่จะกลับตัวตั้งใจไปเท้าซ้ายหมุนสักสี่สิบห้าองศาเท้าขวามาคู่ หมุนเท้าซ้ายไปอีกเท้าขวามาคู่กันหมุนเท้าซ้ายเท้าขวามาคู่หมุนเท้าซ้ายเท้าขวามาคู่กันนะผมพูดนำก็จะทำถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่เป็นไรขอให้รู้รู้ตัวเองนะอย่างนี้นะครับต่อไปเดินตั้งใจไปเท้าซ้ายยกขึ้นแล้วก็วางเท้าขวายก แล้วก็วางก้าวสั่นๆนะเพราะที่เราแคบเท้าซ้ายวางเท้าขวาวางเท้าซ้ายวางเท้าขวาวางเท้าซ้ายเป็นก้าวสุดท้ายวางเท้าขวามาวางคู่กับเท้าซ้ายให้รู้ตัวนะ ตัวในการยืนนะบางคราวบางครั้งนี่ตอนเดินมันใจลอยอยู่ก็มารู้ตัวในการยืนพอรู้ตัวในการยืนก็ต้องชัดเจ น, นความชัดเจนนี้จึงสําคัญมากบางท่านพอยืนนี่ไม่ทำความชัดเจนซะก่อนมัวแต่พยายามกลับตัวแล้วไปเดินอะไรก็ไม่รู้นะฉะนั้นเวลายืนเนี่ยก็ยืนนานๆก่อนก็ได้ให้มันชัดเจนว่ายืนอยู่จริงๆนะเนี่ยยืนอยู่จริงๆรู้ตัวจริงๆ นะอย่างนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าเราไม่ได้ไปแข่งกับใครนะเราแข่งกับตัวเองนั่นแหละเราไม่ได้ไปแข่งกับคนนู้นคนนี้อะไรนะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ต้องรีบเดินไม่ต้องรีบกี่รอบกี่รอบหรอกยืนนิ่งๆก็ยังได้เป็นชั่วโมงก็ได้ถ้าชัดเจนว่าเนี่ยยือนอยู่นะเนี่ยยือนอยู่นะอย่างนี้นะครับนะเป็นครับยืนนานๆแล้วชัดไหมครับนะนั่นแหละอันนี้เพราะผมถามท่านไง ต่อไปท่านถามตัวเองอ่ะแก่ชัดไหมแกยืนใช่ไหมเนี่ยเออให้มันตอบใจมันตอบว่าชัดใช่และยืนนะใจอยู่ที่นี่นะหายใจเข้าให้ลึกๆแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไม่ต้องเครียดนะจะสงบบ้างไม่สงบบ้างไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึก สมาธิเราฝึกพชนชงเมื่อกี้บอกแล้วนะก็คือฝึกสติก่อนเบื้องต้นแล้วเราจะวิจัยธรรมนะทุกอย่างล้วนเป็นธรรมหมดเลยทั้งดีทั้งไม่ดีนะแล้วเราวิจัยเอาค้นเอาค้นดีก็ได้ปัญญาค้นไม่ดีก็ได้ปัญญานะฉะนั้นดีไม่ดีได้เท่ากันคือปัญญาแต่ต้องมีสติก่อนในเบื้องต้นนะอย่างนี้นี่เราต้องทำแบบนี้นะต้องทำให้เป็นนะครับอา้าวต่อไป ตั้งใจที่จะกลับตัวตั้งใจไปเท้าซ้ายหมุนทักสี่สองศาเท้าขวามาวางคู่หมุนเท้าซ้ายไปอีกเท้าขวาวางคู่หมุนทับซ้ายไปอีกเท้าขวามาวางคู่กันหมุนเท้าซ้ายเท้ขาขวามาวางคู่กันให้รู้ตัวนะถ้ารู้ตัวดีนะโดยเฉพาะ เดิ่มต้นเราก็รู้ที่จุดกระทบก่อนที่ฝาดเทา้าเพราะความรู้ตัวมันดีจิตมันก็จะมารู้ร่างกายละเอียดขึ้นรู้ยังไงรู้ตัวดีขึ้นก็จิตมันรู้ร่างกายของตัวละเอียดขึ้นเช่นเห็นว่ากายมันโยกไปโยกมาอย่างนั้นอย่างนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะมันกิกายมันทำกิริยาอาการอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยอาการของกายมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหมือนเราจ้องดูคนอื่นเดินอยู่นั่นแหละ แต่การจ้องดูไม่ใช่จ้องจะเอาเป็นเอาตายกับเขาเราเหมือนเรานั่งดูสบายๆแต่นั่งดูแบบแบบไม่ส่งใจไปที่อื่นอย่างนี้ทำนองนี้นะก็เหมือนกับตอนนี้เราดูตัวเองนั่นแหละนะต่อไปตั้งใจที่จะเดินตั้งใจไปเท้าซ้ายยกขึ้นแล้วก็วางเท้าวขวาวางเท้าซ้ายวาง เท้าวขวาวางเท้าซ้ายวางเท้าวขวาวางเก้าสุดท้ายเท้าซ้ายวางเท้าวขวามาวางคู่กับเท้าซ้ายก็ให้รู้ตัวนะต่อไปกลับตัวตั้งใจเท้าซ้ายหมุนสัก45องศาจะหมุนหรือยกขึ้นก็ได้นะเท้าวขวามาคู่ หมุนเท้าซ้ายไปอีกเท้าขวามาคู่หมุนเท้าซ้ายเท้าขวาคู่กันหมุนเท้าซ้ายเท้าขวาก็มาคู่นะเวลาทํานี้ใหรรบบ้ทําแบบลืมตารรมน่ะทำแบบลืมตาทำนะแล้วเราก็ก้มมองข้างหน้าแรกๆลืมตาทํามันดีกว่ายังไงลืมตาทํานี้ จะทำให้เราจับอยู่ที่จุดที่ตาเรามองเห็นก็คือพื้นนะก็จะช่วยให้ดึงจิตตัวเองกลับมาว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เราอยู่ตรงนี้ถ้าหลับตาบางทีมันไปไกลบางท่านเนี้หลับตาเดินพอเดินไปเดินมานู่นใจไปอยู่อเมริกาแล้วหรือไปอยู่ที่บ้านแล้วไปอยู่กับอะไรต่อมีอะไรแล้วนะแต่ถ้าเราลืมตาดูอยู่นะก็จะช่วยให้ กำหนดหรือบอกตัวเองได้ว่าตอนนี้จริงๆแล้วปัจจุบันนี้กายอยู่ในห้องนี้นะจะได้ไม่หลงไปตามความคิดนั่นเองจะได้รู้ทันไม่เชื่อความคิดนะครับต่อไปตั้งใจที่จะเดินตั้งใจไปเท้าซ้ายยกแล้วก็วางเท้าขวาวางเท้าซ้ายวางเท้าขวา วางเท้าซ้ายวางเท้าขวาวางเท้าซ้ายวางเท้าขวาวางก้าวสุดท้ายเท้าซ้ายยกไปวางเท้าขวาคู่กับเท้าซ้ายให้รู้ตัวนะต่อไปกลับตัวเท้าซ้ายหมุนเท้าขวา วางคู่หมุนเท้าซ้ายไปเท้าขวาวางคู่หมุนเท้าซ้ายเท้าขวาคู่หมุนเท้าซ้ายเท้าขวามาคู่กันนะให้รู้ตัวนะต่อไปตั้งใจที่จะเดินตั้งใจไปเท้าซ้ายยกแล้วก็วางขวาวางซ้าย วางขวาวางซ้ายวางขวาวางซ้ายวางขวาวางก้าวาสุดท้ายสายไปวางขวามาวางคู่กับเท้าซ้ายให้รู้ตัวน ะ, ะดึงจิตกลับมาที่ตัวบอก วานี่กายกำลังยืนอยู่นะต่อไปกลับตัวตั้งใจไปเท้าซ้ายหมุนเท้าขวามาคู่หมุนเท้าซ้ายขวามาคู่หมุนเท้าซ้ายไปอีกเท้าขวาก็มาคู่หมุนเท้าซ้ายขวามาคู่กันนะมีผมพูดนำก็ทำกัน เรียกว่าตามที่ผมพูดนะต่อไปเราก็จะทำร่วมกันโดยไม่มีคำพูดผมพูดนำทีนี้ต้องเดาใจเพื่อนๆด้วยมันก็จะงงๆนิดหน่อยนักกว่าเดิมเลยทีนี้ก็ต้องมีสติดีขึ้นนะก็ทำแบบที่ผมพูดนำนั่นแหละแต่ว่าเราก็เดินไปสักพักหนึ่งคนข้างหน้าหยุดยืนแล้วก็กลับตัวเราก็หยุดแล้วก็กลับตามเพื่อนแล้วเราก็เดินกลับไปกลับม า, าทุกท่านเริ่มเดินตั้งใจ